นาปฏิวัณพิชณีต่อไปนี้ไม่ต้องอวิคือ940 1. ภพิกษณีแสดงเครื่องกำหนดแล้วนอน 2. ภพิกษณีวิกลจริต 3. ภพิกษณีต้นบัญญัติสิบคหาบที่2จบ